كل من الأرض ومن فيها إنكم تعلمون إنكم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل مرب السماوات السبع قل مرب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم سيقولون للا سيقولون للا قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء. วะฮุวะยูจิรุวะลายูจารุอาลัยอินคุนตุมต้าลามุน sayyakoolunallah s ُ و y a k o o l u n a l l a قُلْ ف َ أ َ ن َّ ت س َْ ر ُ و ن َ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ َ ل بل أتيناهم بالحق وإنهم ل ك а з ب و ن وإنهم لказبون ما ت الله منهم ولد ما ت خ ذ الله منهم ولد وما كان معه من إله إذا لذهب, لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى ب َ ع ْ ض م عَلَى بَعْضٍ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 واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ اللهِ التاماتِ من شرِّ ما خلق ب سمِ اللهِ الذي لا يضر مع اسمِه ش ئ ء في الأرض ولا في السماء ووَسَمِي الس العليم رَضِيتُ باللهِ رَبّا وَبِالْإِسْلامِ د ِ ي ن ا, أ و َ ب ِ م ُ ح َ م َّ د ا ل ر َ س ُ و ل َ ا ل ل ه ُ م َّ ن ي أعوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ رَبّ أَعُوذُ بكَ مِنْ ع َ ذ َ ا ب في ا ل ن ا ر و ع ذ ا ب في ا ل ق ب ر ا ل ل ه م ع ا ف ن ي ف ي ب د ن ِ ي ว่าฟินีในสัมภีว่าฟินีในบัซรีสุขานุลลาห์แะบิฮัมดีฮี عددخلق ีวาริดาเนฟซีฮี وز ินะต้าอัลซีฮีวามิดาดาคัลิมัตีฮี سلام าลีกุมมาระหัตุลลาห์และ بارك ะทุกคนที่ร่วมนมาสบุตที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นนะครับเราต้องรำลึก อัลล ok ok ์และภาษาะครับที่ดีที่สุดก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์ภาษานี้เป็นคาที่อัลลอฮ์เจาะจงมาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลุสัลลัมให้ท่านนบีมาอธิบายให้อุมาของนบีมุฮัมมัดในยุคสุดท้ายเนี่ยให้นึกถึงอัลล์ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ دعاء ที่เราอ่านที่ผมอ่านเมื่อตะกี้เนี่ยเป็น د ตอนเชา้ชาๆนะี่ยดวอาตอนเชา้ชาๆเนะี่ยมีทั้งหมดประมาณสิบก้าบทนะครั บ, บสิบก้าบทซึ่งนบีอ่านเป็นประจำภรรยาขอนาบีก็อ่านเป็นประจำสคาร่าของท่านนาบีก็อ่านกันทุกคนส่วนใหญ่เขายึดมั่นในคำสั่งของอัลลอฮ์ทั้งหมดดวงอามีอยู่วรรหนึ่งอัลลอฮุมะอินนีอัลอุซุบิกามินัลกัซัล ฉันขอความคุ้มครองจะเอาล้อให้พ้นจากความขี้เกียจน้องความขี้เกียจนี่ทําให้อามันของเรากไม่เจริญอิบาัตดาของเรากไม่เจริญนะครับขี้เกียจนี่ไม่ใช่เรื่องดีถ้าหากเรื่องดีอัลลอฮ์คงไม่บอกให้นบีขอหรอกนะครับให้คุ้มครองเราอย่าให้คนขี้เกียจวาซูอิลกิบาริซูแปลว่าชั่วหรือเลว ความชั่วหรือความเลวกี่บ้านมาจริงอายุตอนชาราอายุเยอะๆแล้วเนะี่ยอยาให้มีความชั่วติดตัวบางคนก็แปรเบาหน่อยก็อยาให้หลงหลงลืมลื ม, ล ม, ลมอันนั้นก็ใช่บาาแกแล้วยังทาชั่วอีกมีไหมมีเราต้องขอความคุ้มครองจากเราอย่าให้เราเป็นคนชั่วแกแล้วยังทำศินาอยู่มีไหมมีแกแล้วยังกินเหล้ากินยาเข้าบ้านไนรับ แกแล้วยังทำของฮารอมเยอะแยะไปหมดนะ่ะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องนึกตลอดเวลาว่าเรานั่นต้องเป็นเบาะที่ดีของ Allah, อัอลลอฮ์เหมือนกับอัครากของท่านนบีเหมือนกับอัครากมารยาะของบรรดาซอบาของท่านนาบีเพียงน้องคับผมทราบว่าพวกเราตอนนี้นะ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงกันเยอะหลายคนนี่ลุกขึ้ น, นมาตะฮัดยุต ทีนี้มารยาทนะครับที่ท่านนาบีสอนคนที่รู้ขึ้นนมาตตดหัตยุทธเนี่ยคือต้องนอนแต่หัวค่ํานะครับการนอนแต่หัวค่ําเนี่ยเป็นสุนนะของท่านนาบีเลยนบีสั่งอย่างนี้เลยนะหลังนามาตอิชาเนี่ยไม่ควรที่จะพูดคุยกันในเรื่องของดุนยายกเว้นเรื่องของาศาสนาเนี่ยคุยได้การนอนที่ดีที่สุดคือนอนหลังนามาตอิชา แล้วก็นบีก็จะเก็บคือนบีจะจำไม่ขาดนามาตะฮัดยุทธนะบางทีก็นามาอ่านก่อนนอนก็มีนะครับเรียกว่ากิยามุลเลลถ้าไปนอนนอนแล้วฟื้นนอนแล้วขึ้นมาอีกทีหนึ่งเรียกว่าตะฮัดยุทธนบีทําไม่ขาดจะจะทักษาสม่ำเสมอแล้วก็นามาวิเตสเนี่ยนบีจะไม่ขาดนาบีก็พูดบอกว่ า, วาถ้าใครเนี่ยตั้งใจว่าจะละมาวิเตสในตอนดึกๆ ก็อย่าอย่านา ม, ามาวิเตสให้นอนก่อนนา ม, ามาวิเตสทีหลังผมอานจากฮะดิษนะครับท่านนาบีพอตื่นนอนมานะี่ทำอย่างนี้แงนดูชันฟ้าแล้วก็อ่านอินนฟีขลกิสส์สภาวะทีวอลอารดีวัคติลาฟิลไลลีวนนฮาลายัติลิอุลอัลบาบ الذين يذكرون الله قيام وقعوا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء والارض ربنا ما خلقتها ذابطلا سبحانك فقنا ع ة อ่านทั้งสิบอายาอ่านทุกคืนครับอ่นทุกคืนตื่นนอนขึ้นมาก็อ่านอายนี้อายนีทุกคืน คุณต้องคิดตัวคนที่อ่านคุณอ่านทุกคืนนะดีขนางานแล้วก็อายาศิบท้าที่ผมอ่านที่ในสุรอาอิมรอเนี่ยนะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์หมดเลยอัลล์พี่น้องแต่ตาอายาสุดท้ายของสุรอาอิมรก็นือยนะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮมหมดเลยอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่หมดเลย ทีนี้เมื่อนามาตหจุดจบแล้วนี่นะน บ, บีจะจะนอนก่อ น, นก่อนจะอาดานเนี่ยก่อนอาดานนมาสุโบเนี่ยจะนอนตะแคงขวาโดยเอามือเนี่ยจับที่หน้าแล้วก็นอนอย่างนี้แล้วก็ฟังจะรอรอจนกว่าเสียงเสียงเสียงอาดานที่มัสยิดจะอาดานน บ, บีจะว่าคำนี้นะครับ พอ่านพอบางทีก็ก่อนก่อนมาแต่ฮัดยุบางทีก็หลังแต่ฮัดยุทธ์ข่าวคํานี้ครับมียุทธเจดเจดประโยคอัลลกบัสิบสครั้งนะอัลลอฮฺวกบัดอัลลอฮฺวกบัอัลลอักบัอัลลอักบัสิบครั้งอัลฮัมดุลิลลาอีกสิบครั้งแล้วก็สุบฮานัลมัลิคิลกุดสอีกิบครั้งแล้วก็สุบฮานัลลอฮวะบิฮัมดีฮีอีกสิบครั้ง แล้วก็ astaghfirullah อีกสิบครั้งและอิลาฮออิลลอฮอีกสิบครั้งแล้วก็วักสุดท้ายก็อัลลอฮุมะอินีเอาจูบิกามินดีกินดุนยาวัดดีตีเยามิลกียามาตัวนี้คำแปลดีฉันขอความคุ้มครองต่อล้องให้พ้นจากความคับแคบดีกหมายถึงความคับแคบความอึดอัดตอนอยู่บนโลกดุนยาแล้วก็เมื่อชชยชีวิตอยู่ในโลกอาคือรด้วย Allahu um ma yani auzu bi kamil di e qid dunya wa di e qiyamil um qiyama ah นี่นบีจะอ่านทุกคืนฉะนั้นเอาอัคราคือเอาสุนนะของท่านนาบีมาใช้ในชีวิตประจำวันเรานี่ดีหมดนะครับเพราะซอบ้านนาบีเนี่ยเวลนานบีทำอะไรนี่นะนบีไม่ทําทำกับตัวเองอย่างเดียวนะบอกนซอฟบ้านาทมด้วยฉะนั้นบรรดาซอบ้านนาบีจึงได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดเพราะ เมื่อได้ยินอะไรจากท่านนบีศอเนี่ยสมยามอญนะว่าเอาป้อนาะสามัญนวะว่าเอาป้อนาะเมื่อเราได้ยินแล้วเราก็น้อมนำที่ือนําเอาไปปฏิบัติทันทีทันใดแตนี่พวกเราวันนี้มันห่างนบีประมาณพันสี่ร้อยปีสามอญนะว่าเอาซอยนาะได้ยินแล้วว่าไม่ปว่าไม่เชื่อมองหรอกว่าไม่ทำหรอกบางทีไอ้ใจมันยันึกแอนตี้หรอกแต่ ขีเกียนีอัลลิ้เอาดวงจกมิกะสัขีกียจทำ่ะต่ฮะยุดก็มาได้ลุกขึนะสิบอายของสุร่าอลลอิมรอตอมาได้อานนบีนาเงนดูทงฟ้าพอนบีจาคูอ่านทั้งเล่มไอเราเนี่ยน่าจะเปิดอ่านผมว่าน่าจะเปิดคุอ่านอ่านอินนบีอลกิสมาพี่น้องลังอ่านดูนอ่านตั้งแต่สิบอายสุดท้ายของสุรอัลอมุอมันมอยูวักหนึ่งพี่น้อง ลาญกรรนักตะกลบุ ص ار ص ار, ่น ك ี่นักฟ ا ร بلاد ะ ت าตางค์คุลิลซุ่มมะ م ะหุมจันนามวบิษมิอันี้สอนสอนอะไรขออธิบายดิตนี้นะอัลลอฮฺบอกกับนบีอะมุ hammad เออยู่บนดุนยาเนี่ยคนกาเฟตคนฝังกระนู้นเขาทาอะไรกันก็ตามแต่เถอะ ออย่างนี้อ่ะสงการจะมาแล้วใช่ไม้สมสงการก็แสดงกันเต็มที่เลยยังาแล้ะทีนี้เวลาเราเห็นภาพการแสดงนูนแสดงนูนทำนินทำนี่รวมไปถึงการค้านค้าการขายการปกครองประเทศของคนมุชริกินอาบมุชริกเนี่ยบอกนบีอย่าไปหลงกนเชื่อมันนนี่อัลลอฮ์สั่งนบี ว, ว่าละยุรอนนะกะอย่าไปหลงอ่ะ เคลื่อนไหวของพวกเขาการเคลื่อนไหวเช่นการค้าการขายการเดินทางไปประเทศนั่นกลับจากประเทศนี้แล้วก็ออกข่าวกันใช่ไหมแล้วก็แม้แต่การนะละเล่นทํานูน่ทนทํานี้เส้นสุภงสงการเนี่ยสแสดงกันเต็มที่หมดเลยใช่ไหมทา ง, งดารงดาราออกกันมาหมดเลยเนี่ยเอาล้อล บ, บอกกับนบีนบีอย่าให้การปฏิบัติของพวกเขานั้นทําให้เจ้นหลงชอบกิจกรรมของเขานี่มันมาแล้ว วันนี้คุณอนัญญาณนี้สอนขายสอนพวกเราที่อ่านกุณอา่านฉันระวังลูกของเราให้ดีอย่าให้ไปเล่นร่วมกับเขาเพราะอะไรละกุ้มดีนุ ก, กุมวาลียดีนศาสนาของใครก็รับผิดชอบดูแลกันเองอย่าเอามาปักปนกันนี่ง่เพระเนาะฉะนั้นที่เราจัดอบรมกันนะพอดีมันตรงกับช่วงสงนี้พอดียังไงล่ะอทำดีดีไหมดีมากมากเลยครับแต่บางคนก็น ข, อขอลูกหยุด สาวันเล่นสมการก่อนอลัลลอฮฺวันนี้ไหมแต่ที่เราอาจจะไม่มีใช่ไหมเราก็พยายามเน้นการบอกการเตือนกันเป็นว่าวันนี้มารอนาด อ, อร์ซัลมาหอัลฮัสฮานีนี่จะกลับวันนี้เพราะว่าผมเชิญมานั่งที่บ้านสองสี่หชั่วโมงกันนั่งคุยกันเยอะเปน็นองลฮามดุลีล์นะครับก็คนรู้จักกันนะนะผมเรียนหนังสืออยู่ในนาดว่าเนี่ยกเกาหลีรุ่นเดียวกันแต่คนละชั้นาห่ากันนะ ทิตจักยานมาจากแล้วก็มือตัวผัวบ้างอะไรบ้างก็เราหลอกๆกันผ้าตั้งหมดนจำได้หมดอ่ะเราเป็นนักเรียนอยู่ในอินเดียใช่ไหมล่ะเขาก็เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันจต่มันคนละมันคนละคนลชั้น่ะนะก็รู้จักกันอะไรกันพอมากันมานานมาพบกันที่ก็เล่าอะไรใดๆให้ฟังกันทำโดยแรกคนมีการศึกษาคนเขาเขียนหนังสือเป็นหลายสิบเล่มนะให้ผมมุเลยเอาผมสะไปเอาไปอ่านดู ผิดปกติด้วยเอาวันรับมาพี่น้องเอาไปน้องนั่นเล่านะครับรายละเอียดมีเยอะนะครับแต่ไม่เล่าให้ฟังนะครับเอาวันนี้มาดูอายะกรุราณาที่8ปดนะครับนี่พี่น้อง8ปดถึงแปดสิบหกแปดสิบห้าแปดหปดเจดแปดปดแดเก้าบทั้งหมดเหล่านี้นะผู้เรื่องอารม์หมดเลย พูดถึงความยิ่งใหญ่ของ Allah. อัลลอฮ์อัลขอเล่านรื่องนก่อนเอางี้คนอาหรับมุชลิมี น, นี่ยนะดีกว่าคนไทยคนไทยไปคนคนฝัน่งพยาไทย่นะคนฝังพยาไทยนี่นะกับกับคนอาหรับมุสลิมีคนอาหรับมุสริกมนะยังรู้จักอัลลอฮ์มากกว่าฝั่งพยาไทยพวกเราในเมืองไทยเนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์เลย เพราะอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่คนจะรู้จักอัลลอฮ์ได้ต้องมีสามรายการอัลลอฮ์เนี่ยมีความยิ่งใหญ่อยู่สามรายการมุสลิมทุกคนจะต้องน้อมรับคํานี้หนึ่งอัลลอฮ์เป็นรอบบุญอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลมาถึงพระผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นคอเรกอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสร้างทุสิ่งทุกอย่างเอาสร้างอะไรบ้างในสุราวะชัมซีวะตุฮาฮะสร้างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้ทั้งหมดแปดเก้ารายการอัลลอฮ์าสาร้างาตะเป็นงคนเดียวทีนี้คนคนอาหรับนี่ยอมรับไหมยอมรับครับทั้งทั้งที่พวกนั้นไม่ใช่มุสลิมแต่เขายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่คนอลลาหรับไม่ยอมรับอยู่เรื่องหนึง่งเวลาจะกราบเนี่ยไม่กราบอัลลอฮ์องเดียวกราบสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์ด้วย อัลลอฮ์ยังไม่พอใจเลยนะเวลากราบนี่ประกรารสิ่งอื่นด้วยใช่ไหมกราบดวงอาทิตย์กราบดวงจันทร์กราบแผ่นดินอย่างอินเดียนี่กราบแม่น้ําคงคาทนะุกท่านยอมรับให้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างยอมรับไม่มีใครมาสร้างคู่กับอัลลอฮ์เด็ดขาดแต่เขาเรียกว่าอิอูลูฮิยาในการเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่จะต้องกราบนั่นคนอากรับไม่ยอมเชื่อก็มีลาคูซามานาต อีกห้าหกรายการนี่กราบสิ่งเหล่านั้นด้วยฉะนั้นใครที่ไปกราบอัลลอ์และกราบสิ่งอื่นคู่กับอัลลอ์นั้นอัลลอ์ไม่พอใจ or, อัลลอ์กรเลยสั่งให้นบีนี่นะมาสอนเรื่องเหล่านี้เรื่องที่สามรู้จักอัลล์ในฐานะที่อัลลอฮ์มีศิฟาตมมีคุณลักษณะเท่าไหร่นะเก้าสิบเก้าพระนามผู้สร้างให้เป็นให้ตายใช่หไหมเนี่ยฟินอนลองท่องเด็กเด็กรุ่นเด็กเด็กท่องท่องได้หมดนะ ส่วนใหญ่เด็กที่เรียนหนังสือเนี่นะเรียนาศาสตรเยอะๆเนี่ยท่องได้หมดสิฟบาทอรรรมอยู่เก้าเก้าสิบเก้าพนามแต่คนฝั่งพญาไทพวกเราในเมืองไทยเนี่นะไม่รู้จักอรรรมเลยเอล่ะเราผมเคยถามถามบอกว่าใครสร้างชั้นฟ้าก็ตอบว่างนไะธรรมชาติก็ปฏิเสธอรรรมเลยนะเห็นไหมแต่ท่านคนอาลับมุชลิมเนี่ยยังยอมรับว่าชั้นฟ้าเนี่ยอรรรมสร้างนะ แผ่นดินอัลลอฮ์สร้างนะดวงอาทิตย์อัลลอฮ์สร้างนะดวงจันทร์อัลลอฮ์สร้างนะแต่เวลาจะกราบอัลลอฮ์องเดียวเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาจะกราบสิ่งอื่นด้วยคู่กับอัลลอฮ์เพราะเขาเข้าใจว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้พระเจ้าย่อยๆมารับผิดชอบเนี่เช่นให้ฝนตกพระเจ้าย่อยๆแผ่นดินให้พระเจ้าย่อยมาดูแลแม่น้ําให้พระเจ้าย่อยมาดูแลต้นไม้ให้พระเจ้าย่อยมาดูแลเขาเข้าใจกันแบบนี้ แล ia, in ้วก็ปูยาตายาก็สอนกัแบบนี้มาตลอดเลยมีพระเจ้าหลายองค์ดนั้นอัลลอ์ไม่พอใจนะครับอมาดูคุรานวันนี้นะครับอายะที่8ปสิกุลีมานิลอร์ดว่มันฟีฮะอิงกุนตุมต้าเลมูนกุลีมานิลอร์ดว่มันฟีฮะ อิงกุนตุมตาลมูลกุลแปลว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับใครนะบอกกับท่านนบีพราอกุลาเนี่ยประทานลงมาให้กับท่านนบีท่านเดียวน่ะกับคนอื่นไม่ได้ประทานมาดังเลยพูดกับท่านนบีกุลมูฮัมหมัดเอ๋ยจงถามถามคนอาหรับมุสริมอะที่นครมักมาการเนี่ยถามว่า ง, งนะลิมานิลอาร์โ อัลลอฮฺว่าแผ่นดินมันนะ่ะเป็นของใครแผ่นดินนี้นะ่เป็นของใครวะมา ม, มฟฮและที่อยู่ในแผ่นดินเป็นของใครปุลีมิอัวะมมฟฮจงกล่าวเถิมดมุมัดุลมะลัมแผ่นดินนี้และ ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้เป็นของใครใครเป็นเจ้าของถามอย่างนี้อัลลอฮฺพี่น้องกล้าไอ่านๆกูนกอ่าอนได้ก็คิดเต็มเลยนะหยุดไปถามคนฟังฟังฟังฟังพญาไทก็ตอบอีกอย่างหนึง่งใครเป็นเจ้าของธรรมชาติเป็นเจ้าของแต่ตรงนี้อิงกุลตุมตาละมุนจงบอกเถิดท่านหากพวกท่านรู้ พวกนี้มันรู้พวกอาดัมมูชาคินรู้ว่าแผ่นดินนี่เป็นของอัลลอฮ์นะครับทุกสิ่งตัวอย่างนี่อัลลอฮ์สร้างมาเขายอมรับไหมยอมรับเป็นมุสลิมยังยังเห็นไหมต้องการจะเตือนพวกเรารู้ว่ายอมรับว่าอัลลอฮ์สร้างชาน้าแผ่นดิ น, น ย, ยังไม่เป็นมุสลิมนะมันต้องมีอีกสองข้อเองถึงจะเป็นมุสลิมหนเวลากราบเนี่ยห้ามกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เรื่องที่สมอัลลอฮ์มีสิทธิ์พระทัยเาสิบเก้พระนาม และมีอยู่กลุ่มหนึ่งในโลกนี้กลุ่มนี้กระจายเยอะไปทั่วโลกเลยนะกลุ่มอัชอาลีะชาอิยาลอสิฟัตอัลละายยอ่าแล้วก็ความคุ้นนะนะไ ด, เยยดลละออ้เรียนยี่สิบกวดหมด้ลยเลยละยังมีแปดสิบกว่าข้อเรียนกันที่หลังอ่าพี่น้องทีนี่ในตับเส็อิบนุกะส็อธิบายอย่างนี้วมัมฟีหินะวมัมฟฮะและที่อยู่ในแผ่นดินมีอะไรบ้าง ตรัสอธิบายนะอัลฮัยวานาตสัตว์ทุกชนิดอืมสัตว์ทุกชนิดไปน้องแม้มแต่แมลงปอง่อมอัลลอฮ์แม้แต่อะไรนะไอเด็ดสีผีเสือ้ออัลลอฮ์ไปน้องตองศึกษาตั้งต้นมาที่จะขึ้นหมดเลยเนี่ยผีเสื้อมาได้ยังไงอ่ลละอลว่ า, าอิมานมันเพิ่มทันทีถ้าศึกษาจริงๆนะไหยวานาตทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้อัลลอฮ์เป็นเจ้าของ วันนาบตาจพืชต่างๆอัลลอ์เป็นเจ้าของสร้างแต่เพียงผู้เดียวต่อมาก็วัสมารอดผลไม้ต่างๆอัลลอ์สร้างวาซาอิริสุฟูฟิลมาคลูกอละทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งบทนี่อัลลอ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นกุลลิมานินอัรลอมันฟิฮะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแผ่นดินนี้ และผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้ใครเป็นของใครหรือใครเป็นเจ้าของเป็นของใครอิงกุลตุมตาเลมูนถ้าหากพวกท่านรู้เนี่ยอัลลอฮ์ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ให่ท่านอบีสรนะครับเอาต่อมาครับมันมีอยู่สามคำนะอูลูฮียะกับรูบูบียะกับอัสมาวัสิฟาตมุสลิมต้องเข้าใจเรื่องนี้นะ อัลลอ์เป็นรอบบุญอัลลอ์เป็นอีลาหุนอัลลอ์มีสิภาท่าไร99พระนามคนอาหรับนะ่ะยอมรับให้อัลลอ์เป็นรบอย่างเดียวแต่อีกสองข้อนี่ม่ยอมรับนะเป็นมุสลิมไหมไม่เป็นคนพยาไทยเนี่ยไม่ไม่รับสักอย่างหนึ่งใช่ไหมปฏิเสธอัลลอ์ทุกรายการเลยฮัเดลลือดๆเอาต่อมาครับในตัฟเีรภาษาอูรดูนะพมอ่าน บอกว่าพระเจ้านี่มีเยอะมากนะพระเจ้าดูแลแผ่นดินพระเจ้าดูแลชั้นฟ้าพระเจ้าดูแลลมดูแลอากาศพระเจ้าดูแลน้ำนะครับแต่คาสอนของอัลลอฮ์ที่ผ่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์องเดียวดูแลทุกรายการไม่ใช่มาแบ่งพระเจ้าเล็กพระเจ้าย่อยนะครับ อัลลอ์ร <en> ับ <treating> ผ <eds> ิดชอบจะเพียงผู้เดียวหมดเลยนะครับเพราะว่าสิ่ศักิ์สิ์าติวะพระนามมันคุมหมดเลยนะครับเอาต่อมาครับอายาที่85สยบห้ล s a y a k u luna lillah kullafala tazakrun s a y a k u luna lillah kullafala t a z a k ซา雅กูลูนาลล่าพวกเขาจะกล่าวว่าซาเน่ว่าจะกล่าวในอนาคตถ้าซาอูฟาในอนาคตอันไกลพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์นะครับเป็นของอัลลอฮ์ซา雅กูลูนาลล่าพวกเขาจะกล่าวว่ารู้ตอบว่าเป็นของอัลลอฮ์กุลอาฟาลาตาจาคารูนมุฮัมมัดจงกล่าวเถิด พวกนั้นก็ น, นั้นแล้วพวกท่านยังไม่ให้ควรใช้ปัญญาอีกหรือในเมื่อยอมรับอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสปปรรพสิ่งทั้งหลายเนะี่ยยังมีอีกข้อหนึ่งว่าทําไมจะกาบอัลลอฮฺอง์เดียวทําไมไม่คิดกาบคุณมากาบไปกาบสิ่งอื่นทําไมคู่กับอัลลอฮฺเนี่ยตรงนี้วะทำไมไม่ใช้ปัญญาบ้างในเมื่อยอมรับว่าอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นรูบูบยายอมรอมยับแต่อูลูฮิยะการเปลีเป็นพระเจ้าทำไมไม่ยอมรับอัลลอฮ์องเดียวนี่อัลลอฮ์สอนอิคิดอาฟาะดาตาการูนทำไมพวกเขาเหล่านั้นยังไม่ใจไข้ควรอีกหรืออัลลอฮ์เรื่องตัวล็มื่อในคุรานนีนะอัลลอฮ์ะจะแน่นเรื่องเนี่ยเรื่องเนี่ยอัลลอฮ์องเดียวนี่แหละเพราะอัลลอฮ์องคเดียวนี่ยมันเชื่อ ย, ยากเหมือนกันนะ เอาเรานี่ยนะจะทำยังไงจะเอาระยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นองเดียวเนี่ยขอบคุณอัลละฮ์แล้วเกินเลยนะแล้วคนอื่ออีกเท่าไหร่ยังไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เนี่ยองเดียวนะโลกใบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเองดวงอาทิตย์ก็มาเองดวงจันทร์ก็มาเองกลางวันกลางคืนก็มาเองอัลลอฮ์ไปน้องผมคุยกับหลายคนในเรื่องอย่างนี้นะเขายอมรับนะว่าอัลลอฮ์พระเจ้ามีแต่ไอ้เรื่องจะกลาวอัลลอฮ์องเดียวเนี่ยพวกนี้ยังทําทําไม่ได้อ้าอะไร บันพระบุรุษอบรมมาติดนิสัยมาก็เลยต้องเชื่อบันพระบุรุษนะครับเอาต่อมาอายที่เท่าไหร่นะแปสิบกุลมะรับบุษมาวะทิสสะบัละรับบุลอัรชิลอาดิมคุลมะรับบุษมาวะทิสสะบั วารบุญอรชิลอดีนี่นต้องนะถ้าได้ศับอาสับบ้านก็ดีนะยังกะรอบบุญนี่แปลอะไรนะผู้อภิบาล น, นะผู้ดูแลผู้จัดการผู้บริหารจัดการอัสามาวาแปลอะไรนะชั้นฟ้าเป็นพระผูพจน์อัสมาไบแปลอะไรนะเจ็จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด มันแปลว่าผู้ใดรบบุสมาวาติสมัยเป็นพระผู้อภิบาลแห่งชันฟ้าทั้งเจ็ดนี่ถามใครเป็นผู้อภิบาลใครเป็นผู้ดูแลชันฟ้าทั้งเจ็ดอ๋อลลพี่น้องชันฟ้าทั้งเจ็ดเนี่ยมันเกินความสามารถที่เราจะจินตนาการนะคำอธิบายเป็นอย่างนี้โลกใบนี้เนี่ยพี่น้องครับมันมีอยู่เจ็ดห่วงด้วยกัน พวกที่หนึ่งพวกที่สองพวกที่สามพวกที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดน่ะหลังจากที่เจ็ดจะเป็นน้ําหลังจากน้ําเป็นบาลังอัลลอฮ์เกินความสามารถของเราที่จินตนาการได้อัลลอยิ่งใหญ่พี่น้องทีนี้ถามว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อยู่ในชั้นฟ้าที่เท่าไหร่ชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่ง อ๋อนี่ทีนึงที่เห็นยืนชั้นที่หนึ่งสองนี่แหละสามนี่แหละแล้วก็นบีทั้งหมดที่ตายไปแล้วนี่นะอยู่บนชั้นฟ้าหมดเลยนะนี่ใครเล่านะอ๋อเราเล่าให้เราฟังนบีมัดเล่าให้เราฟังบรรดา น, นาบีทั้งหมดเนี่ยนบีอาดัมชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งนะอยู่ตรงไหนอะ่ะมันเกินความสามารถของพวกเรานาบีมูซาชั้นฟ้าท่านสหงสุดะข้างบนนู่นนะตอนที่นบีมุฮัมมัดมรับวาฮีมามาเจอนบีมูซาใช่ไมเขาลงมาเนี่ยก็ถามว่า ได้รับอะไรมาจาก Allah, อโลโลให้อะไรมาให้นามาตมาเป็นของขวัญทันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าไรวันหนึ่งนามาตห้าสิบรก็ห้าสิบเที่ยวห้าสิบโอ้ยายาช า, า, าันอยู่กับอุมามาแล้วมันทำไม่ได้ก็ขึ้นไปไปต่อรอบรรถเหลือห้านิ่มไแล้ละขนาดยาขนาดห้านี่ครบไหมยังไม่ครบเลยนะ อัลลอฮฺอักบะต์จะทำในพเราวันนี้เขฟังฟังศาสนาเยอะๆมันก็ค่อยๆครบค่อยๆครบค่อยๆครบเกขึ้นนิ่ช่ไหมครับวะเอาต่อมาครับอายานี้มีมีสองประเด็นใหญ่ๆนะชันฟ้าทั้งเจดกับอัลอฮัลชิลอาลีอาราชบาลังอันยิ่งใหญ่ใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพี่น้องคำว่าบาลังอันยิ่งใหญ่นี่ไม่ใช่เล็กนะใหญ่ที่สุดผมอ่านในตัฟซีดพี่น้องครับในตัฟซีรอธิบายอย่างนี้นะ รับบุญอาชิลอาลีมเนี่ยใครเป็นพระผู้อภิบาลแห่งบัลังอันยิ่งใหญ่อาซีมแปลว่ายิ่งใหญ่อาละว่าบัลังนะครับบลังอันยิ่งใหญ่เนี่ยในตัปสีรอิมนุกสีตอธิบายบอกว่าชาวสลับบางคนมันมีสลับกับคอลับนะสลับมาถึงอัลมะระดับต้นๆเลยนะแต่สมัยสวบ้านะบีเรียกว่าสลับหมดเลยถหลังจาก ส, สามยุค สามปีหลังมานี่มาถึงปัจจุบันเรียกว่าคอลัฟรุ่นหลังกับรุ่นแรกๆทีนี้พวกเรานี่นะครับก็ต้องพยายามยึดชาวสาลับเป็นแบบในการอธิบายกุรานอธิบายหะดีษก็มันการพยายามยึดเอาชาวสาลับพวกอธิบายเหมือนเขาเพราะมันปลอดภัยจากความผิดถ้ามาอธิบายเองในโอกาสที่จะพลาดมันก็มีแะนั้นยึดชาวสาลับเนี่ยเป็นแบบในการอธิบายกุราน เขอธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าความกว้างของเขตบอลลังจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งพราะความกว้างนี่นะระยะเดินทางห้าหมืนปีห้าหมื่นปีบอลลังอลลอ์ะอัลเขาอักวะแล้วก็ความสูงนี่แหละตั้งแต่แผ่นดินขึ้นไปถึงบอลลังอนะัลลอฮ์น่ะอีกห้าหมื่นปีในตเศตอิบโนกเศตอัลลอฮ์พออาล้เนี่ยอัลลอฮ์ว๊ก็แว๊บ บางรังอัลลอ์น่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องอัลลอฮ์อัจบาความนี่ความกว้างประมาณเนี่ยห้าหมื่นปีความสูงกี่เลยพี่น้องอีกหมืนปีน่ยพี่น้องคิดดูสิาเเกิดกี่ครั้งอ่ะอัลลอ์ขนาดพันปีน่ยอยู่บนโลกดุงยาไปนี่ถ้าคิดพันปีประมาณสองชั่วโมงอายุปดิบะแค่แค่สแค่สองชั่วโมงถ้าพีทห้ามืนปีกี่นาทีบนโลกไปนี่กี่นาทีปั๊ปปั๊ปัทน อัลลอฮ์ไม่เกินความสามารถสิ่งที่เราจะอะไรนะจะจินตน า, าการจะตั้เชื่อตามที่อัลลอฮ์สอนเ้ากล้วปั น, ปนอัลกนนะและต่อมาครับท่านอิบนะอับบาสคนนี้เป็นนักตัปซิตอธิบายเพราะนาบีขอดุอาให้นะอินนัมาที่เขาตั้งชื่อว่าเป็นบลังเนี่ยลิอิสติฟาอเพราะความสูงของมันสูงมากเลยตั้งชื่อว่าอารัชนะครับทีนี้ ชาวสลับบางคนอธิบายบอกว่าอันอารัชเนี่ยสร้างมาจากอะไรบัลลังก์ของอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมาจากอะไรเขาบอกว่ามินยาปุติหัมรอบัลลังก์สร้างมาจากาทัพทิมสีแดงใช้ทัพทิมเท่าไหร่นะเกิ <c oughs> นความสามารถจะจินตนาการอัลลอฮ์แค่อ่านแล้วก็ ah, อัลลอฮ์อักบัดสร้างมาจาก ah. าทับทิมสีแดงอ่ะบัลลังก์อัลลอฮ์แตใช้ใช้ทัพทิมเท่าไหร่ไปเนาะ เิความสามารถของเราเอาต่อมาท่านอิบเนมัสอูดนี่เป็นชาวซาลัดทั้งหมดอินนารับบะกุมไลซ่อินเดหูไลลุนวาลานะฮะที่บาลังอัลลอฮ์นี่นะกลางวันก็ไม่มีกลางคืนก็ไม่มีแต่ที่แผ่นดินเรานี่มีกลางวันมีกลางคืนใช่มล่ะแต่ที่บลังอัลลอ์เนี่ยไม่มีกลางวันและไม่มีกลางคืนรัศมีของบาลังอัลลอ์เนี่ยมาจากไหนครับด้วยพระพักแห่งอัลลอ์มิเป็นรัศมีหมดเลย คิอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนึกจินตนาการไม่ออกฉะนั้นเพราอว่าอัลลอฮ์มีใบหน้าก็มีใบหน้าแบบไหนไม่รู้มีมือไหมมีมือแบบไหนไม่รู้อัลลอฮ์ลงมาชั้นฟ้าแห่งบุญยาจากบัลลังก์เลนะตอนกลางคื น, น 3, เนี่ยกะทจตีสามตีสี่เนี่ยมาแล้วก็บอกเอา้าใครจะขออะไรก็ขอนะใครมีปัญหาอะไรเดือดร้อนก็ขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยินอัลออลอฮ์รับหมดเลยเรวก็เชื่อตามนั้นนะครับพี่น้อง เอาตัวลวงว่าอาย่านี้สอนกี่เรื่องนะใครเป็นผู้นะครับรับผิดชอบเป็นผู้อาภิบาลชั้นฟ้าทั้งเจ็ดวรรบรุลนอรุสิลมาดีแล้ว่าผู้อาภิบาลแห่นบาลานอันยิ่งใหญ่ใครรับผิดชอบออรครับพี่น้องอาราชกุศลกุศลกับบาลงกอบอีกเหมือนกันห้ามดูริดาเรานั้งอยู่บนเก้าอี้ เพื่ออธิบายให้มนุษย์เข้าใจง่ายๆตอนนั้นเองนะครับพี่น้องแต่เรื่องเป็นยังไงวะลอหัวอาลามไม่รู้นะต่อมาครับสาย y q ล l u l n ล lillah kullafala jatqun s a y y q u l u l ล a lillah k u l l a f a ที่85้าเนี่ย พูดเหมือนกัน sayakulunarilla kulaphalatazakaru แต่ตรงนี้ kulaphalatattakun ตตตมีข้อคิดหมดเลยนะตาซักการูเนี่ยแปลว่าไข้ครวนตัตาตากูเนี่ยแปลว่าทำไมไม่ออกห่างจากความชั่วทำไมไม่กลัวอัลลอฮ์นะครับอ่านดูคำแปล sayakulunarilla พวกเขาจะกล่าวว่า ลิลละเป็นของอัลลอฮ์ตกลงว่าบลังก็เป็นของอัลลอฮ์ชั้นฟ้าทั้งเจ็ดอัลลอฮ์รับผิดชอบดูเลียดูแลแต่เพียงผู้เดียวเป็นของอัลลอฮ์กุลมุฮัมมัดเอย๋ยจงถามพวกเหล่านี้ซะอาฟลาตัตตกูลพวกท่านยังมิสำรวมตนให้พ้นจากความชั่วอีกหรือทำไมไม่ออกทางจากความชั่วดะ ยอยางไปครรบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์อยู่อีกทำไมถามตรงนี้ให้หันมาเรียนเตาเฮกให้หมดนะครับพี่น้องและทักิณอธิบายบอกว่าเมื่อพวกท่านรู้ดีว่าอัลลอ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าเป็นเจ้าแห่งบัลลางอันยิ่งใหญ่พวกท่านไม่กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์หรือท่านจะไม่คิดระมัดระวังว่าการลงโทษของพระองค์ ที่สูเจ้าไปกราบสิ่งอื่นใดคู่กับอัลลอ์และไปตั้งพาคีร่วมกับอัลลอ์นะคุณไม่กลัวการลงโทษต ร, ตรงนี้หรือครับนี่สอนดีนะสอนดีนะสอนง่ายๆฉะนั้นเวลาลูกถามพ่ออัลลอ์อยู่ไหนเนี่ยแล้วก็ต้องตอบให้ลูกฟังด้วยไ ม, ม่ใช่ตะวาดมันจะมาถามอะไรตะว่าอัลลอฮ์อยู่บนบาลังอัลลอฮ์บลังอารัสแปลว่าระไรแว่ายิ่งใหญ่ บาลังสรางมาจาก อ, อธิบายได้เนี่ยมาจากอะไรนะทัพทิมสีแดงความก้ามของบาลังโอ้โหยิ่งไปจากนี 50, ้ห้าหมนปีขึ้นบนอีกห้าหมือนปีอ๋อรอยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับพี่น้องนี่ไงทําให้อิมานมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับต่อมาอายาที่88ดนะครับพี่น้องกุลมัมบียดีฮิมาลาคุตกุลลิชัย وَهُوَيُجِيرُ و َ ل َ ا ي ُ ج َ ا ر ُ عَلَيْهِ إِن ك ُ ن ت ُ م ْ تَعْلَمُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُتُكُ ا ل ْ ش َ ي ْ ء وَهُوَيُجِيرُ و َ ل َ ا ي ُ ج َ ا ر ُ عَلَيْهِ إِن ك ُ ن ت ُ م ْ تَعْلَمُونَ ทำอยู่เรื่อยเลยอัลลอพี่น้องอายานนี้ก็พูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลออีกเหมือนกันกุลมาถึงมุฮัมมัดเอ๋ยนะครับจงพูดจงด่าว่าจงตับลีกจงสอนมันมันแต่ว่าผู้ใดมันรู้ว่าใครบียดีพระหัตของพระองค์ มาลากูตูมาลากูแปลว่าอำนาจอันกว้างใหญ่กว้างขวางและสมบูรณ์มาลากูแปลว่าอำนาจอันกว้างใหญ่กว้างขวางและสมบูรณ์เนี่ยุละใย่อินทุกสิ่งทุกอย่างแปลอย่างนี้จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอำนาจของสิ่งนี้อยู่ในพระหัตถ์ของผู้ใดเล่าเนี่ยสร้างชานฟ้าชั้งเจ็ด สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับเราดวงดาวทั้งหมดน่ให้ผู้รับผิดชอบดูแลนะครับและมาละกูดเนี่ยอำนาจทั้งหลายเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนี่ถามให้ชายปัญญาฉะนั้นอิสลามเนี่ยสอนกุรานจะสอนให้เรานึกถึงอัลลอ์เยอะๆพี่น้องนะครับนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์สุบฮานะฮุวะตานะลเอาต่อมาครับฮุฮุายูี ญาเรายู่ยีอาญาเรายู่ยีรู้แปลว่าคุ้มครองหรือว่าป้องกันหัวหวอยู่ยีลและอับและอัละลอฮ์เป็นผู้ป้องกันเป็นผู้คุ้มครองนี่คําตอบนะหัวหวอยู่ยีอัลลอฮ์เป็นผู้รับผิดชอบคุ้มกันดูแลหมดเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อลอดูแลชั้นฟ้าแผ่นดินอัลลอฮ์ดูแลกลางวันกลางคืนอัลลอฮ์ดูแลนะครับ สรรพสิ่งทั้งหลายมนุษย์และสัตว์อัลลอฮ์ดูแลว่าว่าอยู่ยีรือัลลอฮ์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเวลายู่จะหรืออะไรและไม่มีผู้ใดคุ้มครองพระองค์แปลง่ายๆอยู่แหละไม่มีผู้ใดมารับผิดชอบ พ, พระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้ขอให้ใครมาเป็น ม, มาผู้คุ้มครองอัลลอฮ์ไม่มีครับอที่บางคนบอกอัลลอ์เงาว่啊 พอเงาเราเหมือนเราต้องมีอะไรต้องมีภรรยาเวลาเหงาก็ต้องมีลูกใช่ไหมพร้อมลูกไม่มีก็ต้องมีหลานอาล๋อมุกดาเรามันเหงาแต่อ๋อเหงาไหมไม่เหงาครับอันนี้เป็นต้นอิงกุลตุมตาละมุนอ๋อถ้าหาสูเจ้ารู้นี่เป็นต้องครับถ้าเรียนเยอะๆมันก็จะรู้ถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้แล้วเรียนอะไรถึงจะรู้ว่าใครใหญ่ก็เรียนกุรอานไง ไปน้องหลายคนและจับกุรานมาเนี่ยรับอิสลามหมดคนแรกที่รับอิสลามเนี่ยอบูใครนะท่านไยนาอุมัดใช่ไมอ่านสุราษิอะไรต่อห้าอ่านแค่สามสี่อายาเนี่ยรับอิสลามเลยร้องไห้ด้วยเพาะนอะไรกันเนี่ยมีนักใช่ตักบทกรในอาหรับเนี่ยมาถึงมักกะในเรื่องการเรื่องเก่าล่าใ้ฟางใหม่น่ะ มาถึงมกะกาก็ชาวอาดับมกะกาเล่าว่ามุฮัมมัดบ้าเล่าให้นักกรูเนี้ฟังแต่นักกรูรู้จักมุกฮัมมัดด้วยแต่รู้จักแต่แต่ไม่เคยสนิทกันนะนะก็มีอยู่วันนึงก็ว่าฉันนี่ต้องการจะไปหามุฮัมมัดจะไปอ่านนูน้นอันนี้ไปเป่ารุ่นเป่านี้ให้หายเพี้ยนหน่อยมุฮัมมัดกาลังยืนอ่านคุรานที่ใยตุวลอยอันี่ก็เดินไปข้างหลังไปฟังพอฟังเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กรูเ น, นี่ย นี่มันอะไรมาจากอะไรนี่ไม่เคยฟังมาก่อนนะพอไปหานับีครับก็เลยบอกให้อ่านคุณอ่านให้ฟังหน่อยอบีก็อ่านคุณวะละวะฮัดอัลลอฮุซลามะต์ละมยัลีดุวะละมยูละวะละมยาคุลละหูกูฟูวันนะคไม่เคยฟังมาก่อนนี่มันภาษาอะไรเป็นภาษาอาหรับทำามันกินใจอย่างนี้รับอิสลามเลย แค่นั้นคนอาหรับมุสริกเนี่ยเขากลัวว่าถ้าใครก็าตามที่เป็นคนดังๆนี่นะถ้าได้เจอหน้ากับนาบีอัมุฮามัด น, น่ะพูดไม่ใช่ไม่ถึงสิบนาทีรับอิสลามกันหมดเลยนี่ไงเขากลัวกันหมดวันนี้คนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์น่ะให้หันมาเรียนคุรานหาคําแปลจากคุรานรับอิสลามกันหมดเลยพี่น้องนะครับอย่างนี้เป็นตัวเอาต่อมาครับตัวรวมว่าอํานาจของทุกสิ่งนั่นอยู่ในพระหัตถ์ของผู้ใด คำตอบก็คือ ah uh วะวะยูจีอัลลอฮ์ถามก่อนแล้วก็มาตอบว่า ah uh วะวะยูจีอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคุ้มกันทรงปกป้องดูแลแต่เพียงผู้เดียววะดายูจาอั uh ja ลัยและไม่มีผู้ใดมาคุ้มครองพระองค์มารับผิดชอบพระองค์อัลลอฮ์ไม่มีที่ปรึกษาอัลลอฮ์ไม่มีองค์มนตรี อัลล์ไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงต่างรับผิดชอบกระทรวงน้ำกระทรวงลมไม่มีอัลล์รับผิดชอบเพีมผู้เดียวยิ่งใหญ่ไหมอัลฮมุดิลาใหญ่มากครับพี่น้องเอาต่อมาครับ s a y a k u luna lillah k u l fa fa anna tusharun s a y a k u luna l i l l h กุลฟาอันนาตุสฮารูนอัลลอฮ์ตอบคล้ายๆกันพี่น้องพวกเขาจะกล่าวว่าทั้งหมดเหล่านี้ลิลแลเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นของอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เป็นของอัลลอฮ์กุลเมื่อยอมรับว่าเป็นของอัลลอฮ์ให้ถามหน่อยฟาอันนาตุสฮารูนพวกท่านเนี่ย ถูกลอ่อลวงได้อย่างไรสาเหตุเนี่ยแปลว่าลอ่อลวงถูกลอ่อลวงให้ไม่กราบอัลลอฮ์องเดียวได้ยังไงอะไรมาหลอกลวงคุณอะไรมาหลอกลวงคุณทําไมคุณไม่ยอมรับไหนยอมรับนอัลลอฮ์เป็นรับแต่ทําไมไม่ยอมรับให้อัลลอฮ์เป็นเป็นอิละทาไมไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีสิฟัตอีกเก้าสิบเานามทําไมไม่ยอมรับอะไรมาเป็นเหตุทำให้คุณถูกอะไรนะ ถูกล่อลวงได้อย่างไรคำตอบก็คือหนึ่งปูญาตายายทำให้เขาหลงอาบาอนาปูญาตายายทำให้เราหลงแล้วก็อัลยาลูความอะไรนะความโง่เขาเบาปัญญาผู้แรงไปกว่าไม่ไม่ดีนะ stupid ะภาษาอังกฤษก็ น, นักอีกไปน้องก็ความโง่เขาเบาปัญญาเนี่ยทำให้เขาไม่รู้จัก Allah อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และก็ คือ่งสังเกตนะคนฝังคณีคนฝังคณูคนณต่างกันเยอะนะชีวิตนะคนฝังคณูนนะี่นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้รับข้อคิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะแต่คิดไหมไม่ได้ครับที่เราอ่านจากคัดดิสนะเรานึกว่าเขาได้นะสรุปแล้วไม่ได้แต่คนมุสลิมที่ฟังศาสนา แล้วก็เสียเนื้อเสียตัวไปแล้วไปอยู่ฝั่งคือชายชีวิตบางคนกาแฟเนี่ยน ะ, วนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยซ้ำนึกตัวหมดเลยนะสํานึกหมดส่วนใหญ่สํานึกหมดเลยครับอขอเล่าวีนิดหนึงอนะ่ะผมไปสอนที่อะไรโซราของเซตเตปอะไรนะรนะบึงเตยจบแล้วผมจะนั่งรถกลับแล้วก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งร่ามใหญ่มากเลยนะอาจารย์ ผมเนี่ยเลวสุด ๆ, ๆแต่คนเลวเรื่องไรแคุณนั่งอย่มาสียใจเลยทำไมเมืม่อก่า น, นี้น่ะญาติผมอะอยู่มักการนู่นน่ะเพราะว่ามักการตอนไม่เกี่ยวกับคุณหรอกนั่นญาติคุณไม่ใช่คุณก็ว่าญาติผมน่ะดูแลรอคุณจงคุณญาติตะผมนี่เลวมากเลยแล้วันนี้คุณดีได้ยังไงก็เพราะป่วยนะจ้ า, ไ, าไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยรึ ก, กว่าไปไม่รอดแล้วนึกตาย อ, อย่ารอถ้าฉันตายในช่วงนี้ฉัน ไม่มีโอกาสจะกลับตัวแล้วอาล่ะจ๋าอยากให้อยากจะตายเลยก็ให้หายมาหายแล้วกลับเนื้อกลับตัวหมดเลยเข้ามานาม า, มาอ่านกูนอ่านมาฟังศาสนาเอาล่ะพี่น้องเห็นไหมแต่คนฝังกั น, นูนในพี่น้องไม่มีใครกลับเนื้อกลับตัวเพราะการเจ็บไข้ได้ก่วยท่านพี่น้องครับอะไรที่เป็นมุสีบาที่เกิดกับตัวเราต้องนึกนะ่ะเรามีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเราเนี่มีผิดพลาดอะไรหรือเปล่า ที่อัลลอฮ์ให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นแล้วเราเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวได้ยังถ้าเราสำรวจแล้วว่าเราไม่มีข้อผิดมีมือนกันผิดแต่มันไม่เยอะอนะดีมากกว่าผิดแล้วป่วยทําไมคําถามเป็นยังคําตอบตอบอย่างงี้ป่วยแล้วมีมุซีบ้าเดือดร้อนแล้วความผิดก็น้อยแต่ต้องการจะยกตําแหน่งตําแหน่งเราให้สูงสงนี่การเจ็บไข้เด็กป่วยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นดีไหมดีครับเนี่ย ด็อเตอร์ซัลมาที่มันนอนอยู่ที่รอมแดมข้างๆทางศูนย์กลางเนะมื่อคืนวานเนี่ยโทรศัพท์มาผมแอเสียนอนไม่หลับทั้งคืนนะคิดดูที่แล้วก็บามันร้รอ น, นี้วย่ะนะที่เรื่องลับเนี่ยใครจะเล่ า, าแล้วจะเป็นคนเกลงใจคนอะ่ะแต่คนนอนไม่หลับทั้งคืนนะ่ะเราก็เปิดเปิดพัดลมพัดลมดัมีไฟอีกนอนหลับมาก ร้อนอร้อนสับโดตักแอแอบเรามีไฟเอกนน้องอย่าลืมเนี่ยเป็นไรนะเป็นการทดสงบแต่ว่าเรากระทำมีความผิดอะไรบ้างเฮ้ยเออผิดหรือเปล่าปรากฏคุยคุยกันเนี่ยนะเออใช่ๆ่สบัยสบัดปรทนะถทำว่ารดโทษไหมรดโทษครับเราเคยนอนสบายแล้วมาอยู่คืนนอนไม่รับเลยหนึ่งแอร์โร์แอร์เสียเสียตันกเสีสตัน <laughs> ถ้าบอกจากขอก่อมาแก้นี่ไม่บอกอ่ะเห็นไห เพราะฉะนั้นทั้งหมดแล้วนี่เป็นมุซีบาสเราต้องนึกอะไรที่เป็นมุซีบาสกับเราเนี่ยเป็นการลดโทษหรือมันก็กลับเงินกับตัวเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเงินที่เข้ามาในบ้านถูกไหมไปนินทาใครไหมไปดา่าใครไหมมันต้องนึกตลอดเวลานะฉะนั้นพอนึกแล้วให้วาทคำนี้ว่ากอรุมุลลอหูชรลีแปลว่าโอ้อล l l a h คุ้มครองพวกเขา จากความชั่วของฉันนี่เป็นภาษากุณอานนะวก้าวมุลรอวิชาราะจาริกพวกนี้มีทั้งหมดใช่ไหมแต่เราย่อมาว่าอาลัลลอฮฺจะคุ้มครองพวกเขาจากความชั่วของฉันนี่จะหาพวกเราเนี่ยนะดูแลตัวเองนะอย่าให้ปากของเราความชั่วเราไปทําลายคนอื่นเขาเนี่ยจะดีไหมนั่นต้อง น, นึกขอดุทิศต่ออัลลอฮฺ อ, อลัลลอฮฺจะอย่าให้ความชั่วของฉันนั่นไปทําลายคนอื่นให้เขาเดือดร้อน นบีไม่มีนิสัยอย่างนี้ทะเลาะทะเลาะกับคนนบีไม่มีเขาเรียกว่าอัลมีรออูนบีทิ้งอย่างเด็ดขาดอะไรบ้างไม่ทะเลาะกับภรรยาไม่ทะเลาะกับลูกไม่ทะเลาะกับบรรดาสวบ้านนาบีเราก็เหมือนกันเอาอัคลากสุวนรณีมาใช้ไม่ทะเลาะใครนะกับลูกไม่ทะเลาะกับภรรยาไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องไม่ทะเลาะกับคนเพื่อนบ้านพี่น้อง แล้วก็อันอันอิกบาตั้งตัวเตะท่าเตะท่านั่งก็เตะท่าคุยกับอวัเตะท่าแล้วอย่าทำเพราะอะไรมันเป็นลดความดีของเราที่เราสร้างมาตะสะสมมาลดหมดเลยก็อคอยลดทีละน้อยละน้อะกันนั้นนอนนอนถอมตัวเหมือนใครเหมือนท่านนาบีมโมฮัมหมัดสุลต่านอัลลอฮิมูฮัลหมัดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลเยอะหมเอาต่อมาครับ s aya kulunalillah kulfa anna tus harun tus h a t แปลถูกล่อลวงได้ยังไงอ๋ออะไรล่อลวงใช่ไหมประเพณีชาวบ้านล่อลวงคุณเหม็มหนึ่ปู่ย่าตายายคำสอนของปู่ย่าตายายล่อลวงคุณ 3. ความยาเหลนี่ความโง่พี่น้องไม่เคยไม่เค ย, เคยอ่านกออุ้มอานเลยทั้งชีวิตมีไหม มุสลิมมีไหมมีครับไม่แตะกุรอานเลยนะลองอักบัดผมไปบรรยายีาย่หนวันนั้นคนถามว่าตอนอ่านกุรอานนะมีอยู่คนถามอ่านในนามาดพอยังไม่พอแล้วหรือไม่พออ่อานในนมาดพอนะคขาไม่พอนะถ้าอ่านในนมาดพออัลลอฮฺ น, นบีไม่สั่งให้อ่านกุรอานเนี่ยตอนตื่นนอนตอนกลางคืนต้องอ่านนะ อย่าไปคิดคม า, าอ่านกุลวารล้อนในนามาดน่าจะอ่านคุอรอ่านทั้งเล่มพออย่าไปคิดทำไมอย่างนั้นอ่ะเปิดอ่านกุอรอ่านด้วยอย่าลืมนะตาสายตาที่จ้องมองอัลกุลอรอานทําให้ตานี่มีรัศมีมีบราระกัดมองใบตุลนล้อมีบราระกัดสายตามองหน้าพ่อแม่มีบราระกัดอัลลอฮฺอัลกุไคลสอนครับน บ, บีศอเนี่ยมองน้ําทะเลมีบราระกัดมองสีเขียวเขียวมีบราระกัดชั้นฟ้ามีบราระกัดแล้ไปมองหน้าผู้หญิงชาวบ้านมีบราระกัดตรงไหนอ่ะ มันก็ต้องนึกไงโอ้นบีสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้เราทำอยู่เลเอาต่อมาอายะที่90นะครับบัลอตนฮุมบิลฮักวะอินนะฮุมละกิบุนบัลอตนฮุมบิลฮักวะอินนะฮุมลกาซิบุนอัลลอฮุอััอั บัลไม่ใช่เช่นนั้นดอกที่อ้างมาทั้งหมดทั้งไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละอ้างว่าไงนะอคนาตุสไทรูนพวกท่านถูกอะไรล่อลวงอ้างว่าปู่ย่าตายายอ้างว่าความงโง่อ้างนู้นอ้างนี้ทั้งหมดไม่ใช่บัลไม่ใช่เช่นนั้นดอกอาตาอนาหุมบิลฮักติเราได้นำความจรงิงอัลฮักต์ว่าความจรงิงนะบัล ไม่ใช่จค่นั้นดอกอาต้ยนะเราได้นำมาให้พวกเขาเหล่านั้นบิดฮักเจความจริงเอาคุรานมาใหนะ้เป็นความจริงทั้งหมดที่มาจากอัลลอ์สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีข้อสงสัยครางแข็งใดๆทั้งสิ้นพี่น้องเดินตามกุรานนี่แหละสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เจริญกนะ้าวหน้าพี่น้องเครว่าคนมีชีวิตชีวาวาินอาฮุลละกาดีบูและแท้จริงพวกเขา ต่างหากเป็นผู้การดิบผู้ผู้โกหกตอแหลหรือว่เองน่าาตะตอพูดโกหกไม่เชืนะ่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สังสงสัยอัลลอฮ์อย่างงั้นอัลลอฮ์อย่างงี้ยิ่งคนยิ้วน่ะอัลลอฮ์สงสัยอัลลอฮ์จังเลยอัลลอฮ์จนว่างี้อัลลอฮ์จนทําไมเจ้าก็ก็ขออยู่เนี่ยให้นบีมาขอบ้างอะไรบ้างผู้ดได้ไงว่าอัลลอฮ์จนนะครับ บาลอาใจนาหุมบ ok. ah um oh ok, ิลฮักตีไม่ใช่เช่นนั้นดอกอาใจนาหุมบิลฮักตีเราได้นำความจริงมาให้พวกเขาแล้วว่อินนาหุมละกาดีบูและแท้จริงพวกเขาเป็นผู้โกหกแท้ๆพี่น้องพี่น้องอัลลอฮฺอักบัตอัลฮักแปลว่าอนะก็คือละอีละอิลลอฺอัลลอหฺได้อธิบายให้ฟังหมดแล้ว แต่ที่บางคนถามผมว่าอัลลอฮ์มีมีมีมีอะไรให้เห็นมุสลิมนะถามอ่ะอัลลอฮ์มีอะไรให้เราเห็นพว่าโอ้ผลงานของอัลลอฮ์เต็ไมไปหมดเนะี่ยอะไรอ่ะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันละ่ะกลางคืนละ่ะต้นไม้ละ่ะมนุษย์ละ่ะนี่ผลงานของอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่เออมันก็นั่งฟังอยู่อ่ะ ที่ผลงานทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นการรู้จักอัลลอ์เนี่ยรู้จักอัลลอ์จะเพราะผลงานของอัลลอ์เท่านั้นนะมีมิมวบาบานบีมาถามท่านนาบีถามอย่างนี้นะมาถามสี่เรื่องดูท่านนบีตอบเป็นไงอูรีดูอันอูวัตเซอฟีริีฉันต้องการที่จะให้มีริสกีกว้างขวางคาว่าริสกีกว้างขวางนี่เป็นน้องอธิบายยังไงไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะ คำว่าริสกีมันคุ้มหมดเลยนะตายขณะที่เรามีอี إ านก็ริสกีกว้างขวางนะน บ, บีตอบครับถ้าต้องการจะให้มีริสกีกว้างขวางให้ทําอย่างนี้ลาบุญดาลาปอหาหรอคุณต้องรักษาน้านามาเจ้าท่านพี่น้องครับรักษาน้นํานามาอย่าให้ขาดพอนามาหมดนึกเลยเดี๋ยวต้องไปอ่านนามาแล้วมาเก็บเอาไว้นะครับ ยูวะเชียอะไรงกัร so <diode> ิสเกียก Allah จะให้ริสกีนั้กว้างขวางสับกุลริสกีส่วนไหนเราไม่รู้นี่นบีตอบเรื่องที่2อครับสาบะถามนบีว่าอูริดูอันอากรนะออาฮซันนาฉันต้องการใจเป็นคนที่มีแมีเกียรติอ่ามีเกียรติยศนบีตอบลาตัสอัลอันอัมริกาชัยอันอานินนัสคุณเวลามีปัญหาเดือดร้อนน่ย อย่าขอจากมนุษย์อย่าอย่าอย่าขอจากมนุษย์ให้ขอจากใครเอลเล่าองค์เดียวเอารอพี่น้นองนี่งะเป็นอะกีดะสอนเนีเราอย่าเพิ่งไปอย่าไปขอจากมนุษย์อย่าเพิ่งไปขอ้อขอรอ้องอ้อนวอนมนุษย์อย่าเพิ่งอ้อนวอนใครก่อนอ้อนวอนอันลลอฮ์สุบฮานาหูตาลากรอมาดูครับนบีที่ผ่านมาใครบ้างนาบียูซุสอยู่ในบอ่ออ้อนวอนใคร ว่าไงครับและอิลล il all ัลลอฮฺอัลลอฮฺวะบัตนบียูดุอยู่ในท้องปลาอ้อนวอนใครและสุบฮานสุบฮานนะและอิลลัลอัลลอฮฺอัลลอฮฺตะลาอดเรื่องที่สามถามว่าอูรีดูอันอักวันนาฉันต้องการเป็นคนที่แข็งเ่ยคำว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่กล้ามแข็งแล้วก็ปัม้มคนอื่นล้มไม่ใช่นะแข็งในด้านอักติดา้าน ฉันต้องการจะเป็นคนที่แข็งแรงด้านด้านด้านอัลกีดนานบีตอบไงได้ไหมตวัดกัลอัลลอฮ์ให้คุณเนี่ยมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างได้ไหมให้ขอมอบตนต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดชีวิตของฉันอัลลอฮ์ดูแลครอบครัวฉันอัลลอฮ์ดูแลภรรยาฉันอัลลอฮ์ดูแลลูกฉันอัลลอฮ์ดูแลเรานี่ยเป็นส่วนน้อยๆที่เข้าไปดูแลเท่านั้นเอง แต่ความสําเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ส่วนเราถามอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายอูรีดูอันอากูนะฉันจะมาเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดนะ่ะทํำยังไงความรู้มาใช่เรื่องพันดุงยานนะความรู้เรื่อ ง, งอัลลอฮ์เนี่ยทำไงอิส ต, ต์กิลล์ให้กลัวอัลลอฮ์ให้เยอะให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้กลัวพยายามออกห่างจากความชั่วเยอะๆหน่อยไน้องผมเล่าอนิดหนึ่งเอ่อใครนะ่ะ อิหม่ามอบูฮานีฟา เ, เป็นอลมะมเป็นน้องเป็นนักธุรกิจเป็นนักค้านักขายเปน้องมีคนติดหนี้ก็เยอะซื้อของไปอะไรไปก็จ่ายชาบังหนี้สินนี่นะท่านก็ไปทวงอ่ะกระลับปากไว้อะมาเอาอ้ามาเอาท่านคูณคนมีตัะว่าหรอเวลาไปยืนหน้าบ้านเป็นน้องครับไปบอกครูฉันมาแล้วนี่นะ เวลายืนเนี่ยมันมีบางทีบไปตอนบ่ายสามโมงเนี่ยไปยืนตากแดดมันก็ร้อนใช่ไหมถ้าไปยืนบางบังเงาอ่ะบังเงาบ้านเขาเนี่ยท่านไม่ยืนนะฉันไม่ยืนบังเงาเอาเงาบ้านเขามาปกป้องความร้อนฉันฉันไม่ทําเพราะฉันกลั ว, วร้อนเดี๋ยวหาว่าจะมาอะไรนะมาอะไรเรองินอยู่ที่เขาใช่ไหมล่ะมายืนมายืนมายืนมาใช้เงาบ้านเขาก่อน ไม่ทํายืนตักเลยเขากลัวเหรอเห็นยังคิดละเอียดถึงขนาดนี้ตางพวกเราคิดกันหรือเปล่านิ่งอ่านประวัติของบรรดาอุลมามะเนี่ยแล้วก็บรรดาส่อบ้านนาบีเขาใช้ชีวิตที่อัลลอฮ์บัานบ้านเขากลัวอัลลอฮ์กันจริงๆริงใช่ไหมแม้แต่ไปยืนบังเงาบ้านเขาก็ยังไม่ยอมทําเลยจากนี้เป็นตอีกอีกเรื่องหนึ่งเขามีนั่นน่ะมีหายอะไรนะหายเก็บ อะไรน้ำอะไรน ะ, นอะรนะเอาไว้ทําน้ํามันน่ะมันอะไรนะน้ํามันอะไรแต่มันไตรทูนน้ำมันไตู น, น, ม, น, ตนมีอยู่สามสามอะไรสามอันแล้วก็มีเด็กเอาออกมาว่ามีหนูตกตกตกต ก, ตกลงไปเราไม่รู้ว่าอันไหนอ่ะหนูตกลงไปในเนี่ยน้ํามันไตูนไม่รู้ว่าจะเป็นอันไหนอันนี้อันนี้สงสัยนะ ทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเนี่ยอะไรนะปกป้องตนเองอะ่ะใช่ไหมไปกินของของหาลามทำไมเพราะว่านูโตไปมีโซบะกใช่ไหมทิ้งหมดเลยใช่ไหมนี่ไงเป็นเครื่องหมายของคนที่มีกันตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุบะถาละอาการพิจาว่าจะเอาอีกอายาหนึ่งหมดหมดหมดหมดหม ด, หม ด, ห, มดหมดเวลาพอดีอจากนั้นอัลลอฮฺรับผิดชอบจะเพียงผู้เดียวนะครับขนาดนาบีอิบรอฮีมโยนใสไ่ไฟใครสั่งให้ไฟเย็น อัลลอฮ์สั่งไอ้เมื่งกี้เป็นปนี่นสักคิดง่ายๆนะอัลลอฮ์สั่งไม่ฝ่ายเยจันนะอัลลอฮ์รับผิดชอบแต่ด้านเราเองก็เหมือนกันที่เราอยู่รอดได้มาวันนี้เพราะความเมตตาของอัลลอฮ์แต่เราไม่ได้นึกถึงเมตตาอัลลอฮ์กับเรามีอะไรบ้างเราลืมนึกตรงนี้คอยสังเกตดูสิพี่น้องมีอยู่ข้างหนึ่งนะผมจะเล่าเรื่องของเรื่องชีวิตนะตอนเซอร์วัตตุรชายเรียนหนังสืออยู่มาหาเมไรัยไม่โดนกลงคืนบอ่อพวงมะ ปุ่นเนี่ยต้องการเงินห0 0พันดวนๆเลยปุนมีชาติผมต้องได้นะไอ้นะจาตั้งยางไหงห้าพันเยอะนะเมื่อ5ปีที่แล้วก็ขึ้นนามาถา่ายยุทธ์ขออรรถส่งสระตังมาให้หน่อยพี่งเท่านี้เชื่อมั้ยผมมานามาสุโบโร์เนี่ยกลับไปนะมีชายคนหนึ่งขับรถมาจาาในมีสกาด 5,000 ันชาส่วนไหนก็ได้แล้วก็ขึ้นรถกลับไปเลย อะไรนใครเนี่ยใครมาเนี่ยเอามาให้ทาไมเป็นสัญญาณเตือนอะไรหลายๆอย่างเอาเินเหล่น้องประสบกับตัวเองนะุภานะกลาุมบิฮมกัสลอิลอิลลาอันตะอัสตัรกะวตบุลุสลามะุมาห์มตุลลอฮบรกตุ